พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13พฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าดำรงตนเองให้สมกับเป็นชาวพุทธวันนี้ จะออกทางวิทยุของเรานะหลวงพ่อว่าให้ออกวิทยุของเราวันนี้เราก็มีสถานีวิทยุเหมือนกันนะนานๆจะได้ออกถ้าไม่ออกซะเลยมันเข้าขี้สนิมใช่ไหมเออขี้สนิมมันจะเกาะสายไฟก็เลยจำเป็นได้ออกมาค้าบูชาวิสาขาบูชารือ ว, วันสาคัญอย่างวันนี้แหละวันนี้จะได้ออกกระจายเสียงออกจากวัดป่านาคำน้อย ตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีสถานีวิทยุร้อยเจ็ดจุดสองห้าเมกะเฮิรตกระจายเสียงออกจากวัดป่านาคำน้อยเป็นวิทยุสาธารณะจดทะเบียนสาธารณะแต่ก็ยังในชุมชนของพวกเราไม่กี่อำเภอวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา เป็นวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสถานีวิทยุของเราก็คงจะออกประกาศให้คณะสัายาติยมได้ฟังเพราะว่าเราได้ต่อสายจากศาลาไปถึงสถานีวิทยุถ้าเราไม่ออกกระจายเสียงเฉลยไม่ลวกหนูก็รอกกัดสายไฟเพราะนั้นเราจึงออกในวันสำคัญแต่วัน ท, ทั่วไปก็ออกสถานีขององค์หลวงตาครูบาอาจารย์ที่ทางสถานีใหญ่จากวัดป่าบ้านตาดส่งขึ้นดาวเทียมอย่างไรส่งมาอย่างไรเราก็รับอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้เรารัดวงจรคือหลวงพ่อจะพูดที่ศาลาก็ออกไปสู่สถานีวิทยุของเราประกาศในท้องถิ่นในเขตอำเภอนายูงน้ำสม บ้านผือบางส่วนแล้วก็สุวรรณคูหาบางส่วนแล้วก็ปากชมสังคมบางส่วนที่จะได้ยินเสียงในวันนี้เพราะฉะนั้นขอประกาศให้คณะสัตย า, าติโยมลูกหลานทุกคนนะวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาอย่างสื่อต่างๆทั่วประเทศจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ เ, ออเกือบทุกฉบับก็ประกาศว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูตดของพระพุทธเจ้าเป็นวันตัดสรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เป็นวันปรินิพานออของพระพุทธเจ้าคือวันเดียวกันคือว่สามวันมาจวบเหมาะเป็นวันเดียวกันคือวันวิสาขาบูชาเมื่อ 2,500 ปีให้หลังพอกับปีนี้ปีพศพุทธศักราช2557นราวันนั้นขอให้พวกเราคณะสัทายาญาติโยมทุกหมู่ทุกเกล่าวเมื่อมาถึงมาจบเหมาะวันสำคัญเช่นนี้คือเป็นวันพระบรมครูของพวกเราพวกเราลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมควรจะประกอบคุณงามความดี สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นถือว่าวันนี้เราจะสํารวมใจสํารวมกายสํารวมวาจาของพวกเราเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงจะถูกต้องนักหนาสัทธาจ่าโยมลูกหลานเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงให้ทายก เป็นผู้นำกล่าวไหวพระแล้วก็สมาทานศีลการสมาทานศีลวันนี้เป็นการรมาทานศีลพิเศษก็คือสมาทานศีลอุโบสถรักษาศีลแปดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่เคยบวชชีพราหมณ์มากก็ควรจะสมาทานศีลเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแต่ถ้าหาวา่าคณะสัตยาติโยมผู้มีภาระธุรกิจมากก็ควรจะมีศีลห้า ศีลห้าเป็นศีลทาให้โกรกร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันถ้ามีศีลธรรมถ้าขาดศีลธรรมแล้วก็มีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ศีลศีลคำนี้เนะี่ยอยากจะจะให้คนอื่นรักษาแต่ตัวเองไม่อยากจะรักษาแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรแต่ผลตัวเองต้องการเหตุไม่อยากจะสร้างแต่ต้องการผล มันผิดธรรมชาติมันต้องมีเหตุซะก่อนมันต้องมีผลเหตุก็คือเรารักษาศีลร่วมกันทุกคนผลออกมาก็คือความสงบร่มเย็นเป็นสุขทุกคนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานหน้าถึงจะรักษาศีลเป็นชั่วระยะสั้นในโบราณโบราณเขาบอกว่าการประกอบคุณงามความดีถึงจะเป็นระยะสั้นก็คือคุณงามความดี ถ้าทำความชั่วถึงจะทำแพ่บเดียวก็คือความชั่วนะถึงจะไปด่าเขาคำเดียวก็คือความชั่วถ้ารักษาศีนก็เช่นเดียวกันถ้ารักษาศีนเพียงกล่าวคำจบเท่านั้นก็คือศีนคือศีนคือธรรมที่เราได้กล่าวออกไปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อไม่นานไมน่้หลวงพ่อว่าการสร้างคุณงามความดีการที่จะบวชก็ดีการที่จะประกอบคุณงามความดี โดยมากชาวพุทธของเราถือเลือกถือยามเลือกงามยามดีอจะไปถือทําไมการกระทําของเรานั่นล่ะเป็นเลือกเป็นยามถ้าเราทําดีแล้วมันก็ดีเท่านั้นแหะถ้าเราทําชั่วมันก็ชั่วะจะดีได้อย่างไรถ้าเราทําดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรเมื่อเราทําดีเวลาเราจะทําคุณงามความดีแค่หางอืงน่นน่ยหางอื่นเคยเห็นไหมหางลวกนมันสั้นๆเนี่ยหาเลือกหายาม แต่ตัวเองจะทำความชั่วล่ะจะด่าคนนั้นจะโกรธให้คนนี้อจะชาบแช่งคนนั้นคนนี้ไม่เห็นหาเลือกหายามทำเอาทำเอ า, เอาความชั่วแต่พอจะทำคุณงามความดีนั้นหน่อยเดียวเท่านั้นแหะเลือกนั้นยามนี้เวลานั้นเวลานี้ฟังฟั ง, งดูแล้วมันถูกต้องไหมฮะสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะฝากไว้กับพวกเราพุทธศาสนิกชนลูกหลานทุกคนเหมือนกันนะ อ่ตอนนี้ไปสมาทานศีลนาเทนินาศีลวันนี้เป็นศีลพิเศษขณะดรักษาเท่าช้างกระทบหูคนโบราณเข า, านะแล้วก็คือคุณงามความดีเท่างูแลบลิ้ น, นถ่าเราพวกเราอยู่ในป่าเยเราจะเห็นนะเวลางูมันชูคอขึ้นมานมันจะแลบลิ้นรับรับรับรั บ, ร บ, รบช้างกระทบหูคนเราก็คงจะเคยเห็นนะีอ การรักการทำคุณงามความดี เ, เท่ากับช้างกระทบหูช่วงที่งูแหลบลิ้นก็คือคุณงามความดีถ้าทำความชั่วก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นวันนี้พวกเราถึงจะสมาทานสินในช่วที่สมท า, านสินก็คือประกอบคุณงามความดีเป็นสินชั่วระยะหนึ่งแต่จะออกไปและจะทำความชัว่วเือกขาดสินอันนั้นก่อ ก็สุดแท้แต่แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าควรจะให้เป็นศีลรวดสลิงสักหน่อยวันนี้นะตลอด24ชั่วโมงยจะไปเป็นศีลแบบอะไรที่มันขาดง่ายง่ายะควรจะเป็นศีลที่ว่ามั่นคงพอสมควรปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวตัวนี้วันวิสาขาบูชาวันพุ่งนี้ไม่ใช่ล้ไม่ใช่แล้วนะ เป็นวันอื่นไปแล้วแต่วันนี้มีวันเดียวปีพศ2557นี่มีวันนี้วันเดียวเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันครอพรอบวันปัชฌาย์คือวันเกิดพระพุทธเจ้าเป็นวันตรัสรู้พระพุทธเจ้าเป็นวันปรินิพานคือวันชิ่นอายุสังขารปรินิพานคือวันตายของพระพุทธเจ้านะคือวันเดียวคือวันนี้ เมื่อ 2,557 ปีให้หลังต่อนนี้ไปตั้งใจสมาทานสี่นาที่นี่นะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนันิผูติงยันติตัตมาสีลังวิโสธเยวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว วันนี้เป็นวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2557เป็นวันวิสาขาบูชากิจกรรมของพวกเราในวันวิสาขาบูชาเช่นนี้ในวัดของเรามีอะไรบ้างคณะทศัทยญาติโยมลูกหลานก็คงอยากจะทราบล่วงหน้าคืออันดับแร ก, กพระสงฆ์บิณฑบาตตามปกติตอนเช้าจากทั้นพวกคณะศัทาญาติโยมก็ นำอาหารเข้ามาถวายพระสงฆ์บัดนี้พระสงฆ์ก็ได้จัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลวงพ่อก็ให้คณะทัาญาติโยมทายกเป็นผู้นำจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรายจากนั่กกาา็ไหวพระย่อแล้วก็สมาทานศีลอุโบสถผูรักษาศีลห้ากระตามมัธยาศัยให้มองตนเองแต่ควรจะมีศีลสรุปแล้วก็คือควรจะมีศีล ไม่มีศีลห้าก็ควรจะมีศีลอุโบสถในวันนี้ในเมื่อรับศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนิยกถาปารับเรื่องงานวันวิสาขาบูชาให้กับคณะทา ญ, ญาโจมเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพวกเราท่านทั้งหลายมีแต่ตื่นขึ้นมากา็มีแต่การ ส, สแวงหาเครื่องเลี้ยงชีพ หาเงินหาปัจจัยสี่เพื่อยังชีพแต่ก็ไม่ได้สนใจใฝ่การศึกษาเรื่องทำคําสอนของพระพุทธศาสนาควรปฏิบัติตนอย่างไรเพราะนั้นมาถึงวันนี้เมื่อเข้ามาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อก็ควรจะแนะนําบอกกล่าวว่าอันไหนควรอันไหนมิควรอันไหนควรทําอันไหนควรโพดอันไหนคว ร, ค, ว ร, ค, ว ร, ค, วรคิดอย่างนี้เป็นต้น เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะได้กล่าวสมโภชนิจกถาในช่วงนี้แต่ช่วงกลางวันก็ต่างคนก็ต่างปฏิบัติธรรมของใครของเราพอตกตวนตอนเย็นประมาณสักหนึ่งทุ่มนะประมาณหนึ่งทุม่มพวกเราก็คงจะเริ่มพิธีแต่วันนี้หลวงพ่อจะให้พระไปทำพิธีข้างนอกนะที่สลานใหญ่ของเราคือพระพุท ธ, ธปฏิมาพระพุท ธ, ธ, ธ, ธอุดรมวงคลสอง แต่ตอนเช้าเราทําพิธีที่พระพุทธร ม, มงค์คนหนึ่งคือศาลาข้างในแต่พอตอนเย็นควรจะออกไปทํเาเวียนเทียนหรือทําพระทักษิณไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมจู่ที่ศาลานอกเพราะกว้างกวางกว่าและพวกเราจะได้เวียนเทียนกันที่นั่นแล้วเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในพระพุทธปฏิมาพระพุทธอุด ม, มงค์คนสองะ บนพระเศียรของพระพุทธปฏิมาพวกเราก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรบนิเวศพวกเราได้บรรจุไว้แล้วก็พวกเราจะได้ทํากาบคารวะเวียนพระทักษิณรอบพระพุทธปฏิมาที่ศาลาเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลจากนั้นพวกเราก็จะได้ไหว้พระ จากนั้นก็ได้ฟังสัมโมโอธนิยกถาจากนั้นพวกเราก็จะได้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติร่วมกันพอสมควรจากนั้นก็แยกย้ายกันแต่ถึงอย่างไงหลวงพ่อก็เคยบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติธรรมควรจะมีครั้งหนักครั้งเบา ครั้งหนักครั้งเบาคืออะไรคือทำบาราคือเบาครั้งหนักก็คืออย่างวันวิสาขบูชาอย่างวันนี้แหละพวกเราควรจะเอาอริยบทสองได้ไหมยืนกับนั่ง เ, เดินกับนั่ง เ, เราเดินกับนั่งทั้งคืนเลยภาวนาดูสิอันนี้แหะหลวงพ่ออยากจะให้พวกเรามีหนักให้หนักควรจะปฏิบัติตนให้หนักแน่น จากนั้นเมื่อเราได้ภาวนาและทําจิตใจให้สงบแล้วพวกเราจะรู้พระคุณของพระพุทธศาสนารู้พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยา ญ, ญาติโยมเนวันนี้อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอยากจะให้พวกเราทําพิธีหรือว่ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งแล้วก็ให้ปฏิบัติ ตนให้เป็นคนดีสักวันหนึ่งให้ปอดให้เป็นสีขาวสักวันหนึ่งอย่าได้เป็นสีเทาอย่าได้เป็นสีดำเพราะพวกเราบิดาคิดทมามหาเลี้ยงชีพทั้งกายทางวาจาทางใจของเราเตลอดมาแล้วหมกมุ่นมาแล้วแต่วันวิสาขาบูชาเนี่ยควรจะชำระใจและก็รักษาศีลจํารวมกายวาจาให้เรียบร้อย ส่วนใจก็ควรจะเป็นสมาธิทำจิตใจให้สงบให้เป็นบุญเป็นกุศลนะต่อไปภายภาคหน้าพอดีพอเพราะเหตุไรในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วบอกว่าคนเราเกิดมาต้องมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติด ต, ตามมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยเราจะทำกรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะให้ผล เพราะท่านในหลักธรรมคำสอนท่านบอกว่ากรรมคือการกระทำถ้าเราทดาดีต้องได้ดีถ้าเราทาชั่วก็ต้องได้ชั่วในเมื่อทากรรมลงไปแล้วในหลักธรรมท่านสอนเน้นไปอีกว่าตายแล้วไม่สูญจุดนี้เป็นจุดที่พวกเราจะต้องศึกษาอะไรทน้เพราะวิชาในโลกมีมากมา ย, ายหลายอย่าง เ, าเพราะนั้นเราควรจะศึกษา ในหลักธรรมที่ว่าตายแล้วไม่สูญน่ะท่านเอาตัวไหนมาพูดเอาตรงไหนมาจกประเด็นให้พวกเราให้ได้ฟังเอาความเชื่อจุดไหนแต่ความเชื่อในจุดนี้พวกเราใครพูดมาก็ตามเราได้ยินมาจากใครมาก็ตามควรที่น่าเชื่อถือขนาดไหนก็ตามในเมื่อเราฟังได้ยินมาแล้วเราอย่าเพิ่งเชื่อ เราอย่าเพิ่งปฏิเสธอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ฟังมาแล้วอย่าไปเชื่อทีเดียวอย่าเพิ่งปฏิเสธทีเดียวถ้าเชื่อทีเดียวก็เป็นว่าศรัทธาเขาจูงไปได้ไหนก็ได้ถ้าปฏิเสธเหมือนเราปิดหูตัวเองปิดหูปิดตาตัวเองก็ไม่น่าจะถูกเมื่อเราได้ยินมาแล้วได้ศึกษาได้ฟังมาแล้ว เราเอามาเปรียบเทียบกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเออที่ท่านองค์นี้พูดท่านผู้นี้พูดมีเหตุผลไหมเข้ากับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ไหมเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วท่านได้เอาลงในพระไตรปิฎกตรัสไว้ชอบแล้วเป็นที่ยอมรับกันแล้วแต่คนที่พูดออกมาน่แวกแนวหรือเปล่า สีกแนวหรือเปล่าหรือตรงตามหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ถ้าว่าพูดตรงาตามแนวแถวของพระธ ร, รรมคาสอนนั่นลหละเราก็วางใจเอยเชื่อแปลว่าคนนี้ถือมาถูกแล้วอาจารย์องค์นี้ถือมาถูกแล้วท่านผู้นี้ถือมาถูกแล้ว เ, าเราควรจะยอมรับแต่ถ้าว่าเราเปรียบเทียบไปแล้วมันขวางไปคณละทางต่อหลักธรม ร, รมคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นเราควรจะ ทิ้งไว้ก่อนวางไว้ก่อนต้องหาเหตุผลอีกถ้าหาเหตุผลดูแล้วมันเข้าไม่ได้อยู่แปลว่าท่านผูนี่ถือมาผิดไม่ไปตามหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาอันนี้แหละการฟังและการศึกษาของพวกเราอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติตนอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวถึงหลวงพ่อจะพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังขณะนี้ก็เถอะนะพวกท่านทั้งหลายก็ควรจะฟังเอาไว้เหมือนกัน แล้วก็นาไปเปรียบเทียบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็เคยพูดให้คณะสัตายาญาติโยมทุกหมู่เหล่าแต่บางครั้งบางแห่งภาพอพอไปแล้วก็เขาประมาทต่อหน้าก็มีอย่างไปคราวที่แล้ว เ, เข้าไปก็คงจะประมาทหลวงพ่อต่อหน้าก็กลัวจะกลัวบาปอีกผมขออภัยขอโทษท่านอาจารย์ด้วย ขอเอาไปจากท่านอาจารย์ด้วยขอให้ท่านอาจารย์เอาหัวสีให้ด้วยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จะทำอะไรให้เขาให้เขาหนักกกหนักใจหรือทำให้เขาเจ็บอกเจ็บใจจนให้เขาได้ขอให้เราเออโหัวสีให้เราก็ไม่รู้จะหัวสีเรื่องอะไรเนีเพราะเป็นความคิดของเขาเองอันนี้ก็คือความคิดของเข า, เ, าเราก็ใครจะไปให้อโหสิแต่หลวงพ่อคิดแล้วหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระ พระสาธารณะอีกต่างหากนะหลวงพ่อก็บอกว่าขนาดพระพุทธเจ้าบรมครูฮท่านประกาศพระศาสนาคนในยุคนั้นสมัยนั้นเขาก็ด่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่น้อยเหมือนกันพระสาว ก, กแต่ละองค์บางทีโดนไม่เดียวเขาก็มีเขาด่าพระสาวกภาษาลิบุตรพระโมกขาลาแต่ละองค์เนี่ยโดนด่ากันเกือบทั้งหมดทุกองค์ ภาษาอะไรหลวงพ่ออินหลวงพ่อกะว่าอย่างนั้นทีนี้จะไม่ให้คนด่าได้ทำยังไงแต่ด่าับด่าเถอะถ้าข้าด่าไม่ถูกระวัง ก, กันบาป ก, กรรมจะตามสนองถ้าใครด่าเก่งด่ามากคนนั้นระวังปากเป็นมะเร็งกันแล้วกันหลวงพ่อกะว่ายางนั้นแต่ไม่ใช่หลวงพ่อสาบหลวงพ่อแช่งนะหลวงพอ่อใครจับไฟหลวงพ่อเอ้ยถ้าจับไฟก็สุดแท้แต่แล้ว ถ้าใครจับไฟกับคนนั้นร้อนถ้าใครจับน้ําแข็งกับคนนั้นก็เย็นนี่หลวงพ่อก็ให้เพียงแนวความคิดเท่านั้นเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะนักทาย ญ, ญาติโยมต้องฟังเหตุผลไปฟังนักสถานที่ใดหลวงพ่อพูดให้ฟังก็เหมือนกันให้ฟังเหตุผลแต่หลวงพ่อพูดไม่ให้พวกเราท่านทั้งหลายเชื่อทีเดียวเออเออแล้วก็มาเหตุปลามาทีเดียวถ้าปรามาต้องปิดหูปิดตาตนเองถ้าเชื่อขึ้นไปแล้วก็เออ เหมือนกับหลวงพ่อพูดอะไรเกัด เ, เป็นวัวเป็นควายของหลวงพ่ออินจุงตามหลังเป็นพวนไปหลวงพ่อไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นหลวงพ่ออยากจะได้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นอัจฉริยะเป็นผู้มีความคิดเป็นผู้มีปัญญาแต่ว่าไม่เข้าใจที่ตรงไหนเอามาถามหลวงพ่อพูดคำนั้นไม่น่าจะถูกนะมันผิดผมไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วไปเปรียบเทียบดูแล้วกับครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดเข้ามานะ มันขัดกันนะหลวงพ่ออินนะเออมาฟังดูสิเออใช่ใช่ใช่หลวงพ่อขออภัยพูดผิดอ่ะจบไปจะไม่พูดอีกในเรื่องอย่างนี้นะหลวงพ่อก็จะได้ฟังคณะสิทธา์คณะัตยาติโจมที่เห็นว่าการพูดหรือการกระแสดงออกมันไม่ถูกต้องแต่ถ้ามันถูกต้องแล้วก็ฟังไปถึงจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็มันถูกต้องอยู่แล้วเออ อย่างที่ท่านพระท่านอาจารย์เถระท่านหนึ่งท่านพูดสมัมมาเนนขึ้นนั่งเทศเนี่ยให้พวกาศท่านสามมาเนนขึ้นเทศพอเทศไปท่านก็เห็นพระเถระคลองผ้าไม่เรียบร้อยอรุ่มรุ่ ม, ร, มร่ำร่ำสมมาเนนเขบอกว่าท่านมหาเรถระครับผมท่านคลองผ้าไม่เรียบร้อยอไม่เป็นปริมนทน ถ้าหากว่าท่านคลองผ้าให้เป็นปริมนทนจะดูแล้วก็จะถูกต้องตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านนันก็เลยภาษาริบุตรก็เลยเออจืนคลองผ้าเออเอาสมณีเราจะครองผ้าให้เป็นปริมนท น, นพอคลองผ้าเสร็จแล้วแล้วเป็นยังไงสมณ น, เ, น, นเป็นปริมนทนถูกต้องหรือยังเจ้าใช่เมื่อท่านทำถูกต้องแล้วก็คือความถูกต้องนี่แหล ะ, นะนะ อันนี้ก็คือขนาดเป็นพระอัครสาวกยังฟังยังฟังกันยังฟังเนนน้อยพูดเพราะท่านเนนน้อยพูดถูกในช่วงนั้นท่านก็อาจจะพ้าหลุดลุย่ยออกจากร่างกายของท่านดูดูดลราก็ไม่สวยงามแต่เมื่อมีคนท้วงติงขึ้นมาท่านก็มาคลองผ้าใหม่ก็ให้สวยงามนี่แหละอันนี้แหะคือต้องฟังกันต้องฟังเหตุผลไม่ใช่ว่า พอผู้ใหญ่พูดยังไม่จบคําผู้น้อยก็เถียงขึ้นมาแต่พอผู้น้อยพูดยังไม่จบคําผู้ใหญ่ก็เออเอาอำนาจข่มไปผลที่สุดเนี่ยแหละการอยู่โดยกันเหมือนกับลงบ่มบ้าเออไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักผู้น้อยไม่จกักรู้จักผู้ใหญ่เพราะฉนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าครอบครัวอย่าไปถืออํานาจบาดใหญ่จนเกินไป แม่บ้านก็เหมือนกันพวกลูกๆ ก, ก็เหมือนกันลูกพูดก็ให้ฟังพ่อแม่พูดก็ให้ฟังครูบาอาจารย์พูดก็ให้ฟังลูกศิษย์พูดมีเหตุผลก็ให้ฟังฟังเหตุฟังผลการอยู่ด้วยกันจึงจะร่มเย็นเป็นสุขไม่ใช่ว่าดันทุลังใครดันทุลังเราจะจะหาความสงบสุขได้อย่างไรการอยู่ด้วยกันกอนนี้ก็ขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนทั้งหลายทุกหมู่ทุกเหล่า การอยู่ด้วยกันต้องฟังกันต้องฟังเหตุฟังผลออนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ากาละเทสะบุคคลการสถานที่บุคคลควรปฏิบัติตนอย่างไรนี่แหละอย่างวันนี้แหละเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าตั้งตนให้เป็นคนดีออให้เป็นดีคนดีคิดดีทาดีพูดดี เ, เพราะว่าเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย เ, เป็นปฏิรูปประเทศปฏิรูประเทสวาโซจะปุบเพจักตะปุญเจาตาอัตตาสัมมาปนิธิปฏิรูปรเทสวาโซจะเราเกิดในประเทศไทยแผ่นดินไหวก็มีอยู่อย่างที่เชียงรายเมื่อกี้นี่เมื่อวันที่สองที่สามที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ถึงกับเสียหายทำให้คนล้มคนตายแต่ก็เสียหายทางด้านวัตถุบ้างแล้วก็ก็ยังไม่ถึงกับประเทศอื่นเขาประเทศอื่นเนอะล้มระเนระนาดหลจากนั้นก็น้าท่วมอีกต่างหากและวก็พายุอีกอย่างประเทศฟิลิปปินส์คนตายเป็นหมื่นอย่างนี้แหละแล้ว ก, ก็ต่างประเทศเมื่อกี้เนี่ยแผ่นดินถลม่มขี้โคลนไหลาจากภูเขามาคนตายเป็นพันๆหลายพันคนอย่างนี้นะประเทศไทยของเรา ยังไม่เคยเจอเคยพบเคยเห็นแต่ต่อไปภายภาคหน้าอันนั้นอีกส่วนหนึ่งอันนี้เลยว่าเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยปฏิรูปประเทศอาหารการบริโภคมีพออยู่พอกินไม่เดือดไม่ร้อนมีแต่เราอยากจะรวยท่านเองแต่ถ้ารวยก็ต้องขยันต้องรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใช้ก็จะรวยเองแล้วก็อยู่ในปฏิปฏรูปประเทศสวัโซจะปุกเพจจักะตะปุญชตา พวกเราคงจะได้สร้างบุญบุญกุศลไว้ในอดีตเออข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดต่อไปภายภาคหน้าก็ขอให้ข้าพเจ้ารมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสีออ่อย่าให้ขาดตกปกพร่องอย่าให้เดือดร้อนในการที่ข้าพเจ้าเกิดในภพนั้นๆด้วยเทิดอันนี้คือพวกเราจะตั้งปรารถนาตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตเนี่ยเราจะได้มาเกิด อยู่ในปฏิรูประเทศสวาโซจ่าปุเพจะกะตะบุญยตาคือใน บ, บุพกรรมของเราในอดีตที่เราตั้งความปรารถนาอยากจะมาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีศีลมีธรรมปกครองบ้านเมืองแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขในขณะที่ข้าพเจ้าเกิดในภพภูมินั้ น, น, นอันนี้คือความปรารถนาพวกเรา็สมความมุ่งมา่ปรารถนาแล้วทีนี้นพพระพุทธศาสนา ได้พบคนในเมืองไทยถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ยังไม่ทารุณอะไรมากและต่อไปเนเราควรจะตั้งตนไว้ชอบเนี่ยอัตตะสัมมาปนิธิพวกเราควรจะตั้งตนไว้ชอบเมื่อเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมพอสมควรแล้วพวกเราควรจะตั้งตนไว้ชอบคือไม่ประกอบความชั่ว ประกอบแต่คุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราจะคิดดีทดําดีพูดดีเท่านั้นในเมื่อเราคิดดีทดําดีพูดดีคือคืออัตตสมาปณิธิคือว่าตั้งตนไว้ชอบเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเราก็จะได้เกิดอย่างนี้อีกเพราะเราตั้งตนไว้ชอบนะแต่ถ้าว่าพวกเราตั้งตนไว้ไม่ชอบเกิดมาแล้วลืมตัวทีนี้ กินเหล้าเมายาสาาาุลานารีภาชีกีฬาบัตรความชั่วเสียหายอบายยมกุกทุกอย่าง เ, เกเรเกตุงข่าพ่อข่าแม่ข่าผีข่าน้องข่าวงสาคนายาิดูถูกเย็ดยำ่ำวัดวาศา ส, สนาด่าพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้ว่าหลวงพ่อพูดพูดดีๆทำไมจึงมาประมาททำไมหาคิดประมาทมาประมาทหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่ได้ไป ทุบหมอกเข้าหมอกแกงอะไรของสูเจานะ้าเนี่ยทำไมมันมาประม า, ขาทขระทั่งพระอีกต่างหากแปลว่าตั้งตนไว้ไม่ชอบนั่นแหละความตั้งตนไว้ไม่ชอบจุดนี้แหละพวกท่านทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าอาจจะไปเกิดแถวออฟริกาที่นี่พวกหัวโตโตท้องใหญ่ๆขารเรียบๆนะบาปกรรมจะพาไปเกิดในสถานที่เช่นนั้นเพราะตั้งตนไว้ไม่ชอบไม่ใช่อัตตะสมาปณิทิีกแล้วท่านนี่มันคิดไปสุดโตง คิดไปนในทางที่ชั่วทําให้เสียหายเพราะการกระทําเหล่านั้นแหละจะพาให้ตนตนเองตกต่ําเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้คิดดีทําดีนั่นคืออะไรคิดดีก็คือจิตใจให้เป็นสมาธิคิดไปนสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ไม่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นไม่คิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมกฎหมายบ้านเมืองบัญญัติไว้ยังไงเราก็ปฏิบัติตามอันนี้ประวัตยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบออคือคิดชอบแต่ทําชอบนั่นคืออะไรทําชอบนั่นคืออย่างที่พวกเรารับสินห้าเมื่อกี้นี่นะข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่ากันการอยู่ด้วยกันข้าพเจ้าจะรักเมตตากัน ไว้เนื้อเชื่อใจกันข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีศีลจะไม่ฆ่าการฆ่ากันเราเห็นโทษเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่น้องของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเราก็เช่นเดียวกันเราก็เสียใจเพราะนั้นข้าพเจ้าจะงดในการฆ่าตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ขโมยของคนอื่นถ้าเราไปขโมยของเขาเขาเือดร้อน ถ้าเขามาขโมยของเราไปเช่นเดียวกันขโมยพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานของเขาไปเรียกค่าไถย่อย่างนี้เขาก็เดือดร้อนถ้าเรามาเขามาทำให้กับเราล่ะเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นข้าพเจ้ารู้ว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเมื่อเขามาทำให้กับเราเราก็ต้องเดือดร้อนเพราะนั้นข้าพเจ้าจะเคารพสิทธิของเขาเหล่านั้นทุกคนอันนี้คือศินข้อที่สอง ข้อที่สามการเมสุมิชจชาราเว ร, รมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงเห็นของเขาเพราะลูกหลานของเขาเขาเลี้ยงมากับมือของเขาใครก็ตามไปล่วงล้าอธิปไตยของเขาเขาก็เสียใจพ่อแม่พี่น้องของเขาก็เสียใจเขามาร่วงล้ําเหล่าก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์จึงกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สม ข้อที่สีมุสาวาทาเว ร, รมณนีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงอย่าไปขี้ตัวเข า, เาถ้าไปขี้ตัวเขาเป็นโกหกต้มตุนหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจย อ, อย่างเขียนเช็คกระดาษใบหนึ่งขึ้นไปมีเงินนะเ อ, เอาไปขึ้นเงินได้พอเอาไปที่ไหนได้เป็นเช็คเด้งให้เราเสียใจยถ้าไปทำให้กับใครใครก็เสียใจยทั้งหมดเพราะนั้นอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงกัน ถ้าต้มตุนหลอกลวงกันแล้วจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ในชุมชนและสังคมในกลุ่มของพวกเราเพราะนั้นศินห้าสรุปแล้วหลวงพ่อสรุปออกมาเลยว่าสินห้าข้อเนี่ยสี่ข้อเนี่ยสินสีข้อที่พูดจบลงไปเนี่ยเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไปทําให้กับเขาเขาก็เดือดร้อน เขาเขามาทำให้กับเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะ น, นั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินของพระพุทธเจ้าไม่ได้ห่างไกลจากพวกเราท่านทั้งหลายนะขศ้ศราชกาญาติโยมลูกหลานคิดดูสิที่หลวงพ่อพูดเนี่ยถูกต้องไหมคิดดูสิถูกต้องไห ม, หไหมหพ่อที่ห้าสุราเมรยาตชะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราก็คือเหล้าเมลัยน่คือเบียร์ แล้วก็สงข้อเข้าคันชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนยาต่างๆยาบ้ายาายาโคงโคงโคเคนเมีอะไรต่งเยอะแยะไปหมดยางยาองค์ยาไอสรุปแล้วก็คือยาประเภทไหนก็ตามก็ตามที่ไม่มีชื่อก็ตามแต่พอเสพและดื่มเข้าไปแล้วทำให้สมองของเราผิดปกติคล้ายๆว่าขาดสติเมื่อดื่มหรือเสพ อันนั้นสิ่งนั้นเข้าไปแล้วขาดจิตเมื่อขาดจิตแล้วความรู้สึกของเราสมองของเราขาดติตแล้วคนที่ขาดจิตเหมือนกับคนบ้าเมื่อคนบ้ามันไม่มีไม่มีจิตไปยับยัง้งไม่มีติตคุ้มครองคนนั้นก็ทำความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าใครก็ได้สินข้อที่หนึ่งกระจุยกระจายไปหมดขโมยของใครก็ได้เพราะคนขาดจิอ ลาลาปละล้ลระรวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เพราะขาดสติโกหกใครก็ได้เพราะขาดสติเนี่แหละศินข้อหเป็นสินที่อันตรายข้อหนึ่งเหมือนกันในบรรดาหข้อไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นขอให้ขอฝากไว้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนวันนี้พวกเรามีเวลาน้อยได้มาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อจะให้จึงให้รับศินห้ถึงจะมีเวลาน้อย รักษาศีลก็คือศีลคุณงามความดีเท่ากับช้างกระทบหูเช่างูแลบลิ้นก็ยังคือคุณงามความดีก็คือศีลเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆุกท่านและก็พร้อมกันพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระพุทธเจา้าก่อนหลับก่อนนอนก็ควรจะไหว้พระหลวงพ่อเคยแจกหนังสือหนังสือสวดมนต์ไหว้พระให้กับพี่น้องจัตไทญาตโยมลูกหลาน เวลาเราไหว้ไม่ได้เราก็อ่านหนังสือไหว้ก็ได้อ่านหนังสือตะกราบอ่านขึ้นมาตะกราบ เ, เพื่อจะได้สํารวมกายใจของเราเพื่อจะรวมใจของเราไม่ให้คิดปรุงฟุ้งไปทางอื่น เ, เมื่อเสร็จแล้วก็ให้นั่งภาวนาข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาวันละหนาทีและวันละ10นาทีตั้งนาฬิกาดูเลย เ, เพื่ออบรมท้ง รวมจิตรวมใจรวมสติของเราให้เป็นหนึ่งแล้วก็บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธตั้งนาฬิกาไว้สักสินาทีวันหนึ่งได้ไหมนี่แหละอันนี้ก็คือสติสัมปชัญญะของเราก็จะอยู่กับตัวเมื่ออยู่กับตัวของเราแล้วเนะี่ยต่อไปเมื่อเห็นผลเราก็ขยายผลไปเรื่อยๆอาจากนั้นจิตใจของเราก็จะได้รับความสงบรล่มเย็นเป็นสุข ความเป็นสุขไม่อยู่ที่ไหนใดอย่าอยู่ที่ตัวของเราเองตางของเราคิดปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกมากๆพวกเราคิดให้ดีกันแล้วกันเพอเพอเช่นเลือดแตกในสมองอีกต่างหากเป็นบ้าเป็นบออีกต่างหากคิดปรุงฟุ้งซ่านนะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับคณะสถาน ญ, ญาติโยมพุทธบริษัททุกหมู่ทุกเหล่าเน้อที่หลวงพ่อพูดให้ฟังวันนี้เป็นวันสําคัญหลวงพ่อก็ได้พูดกล่าวออกทางสถานีวิทยุ เ, เสียงธรรม 1 0 7 2เเมกะเฮิรต์ออกจากวัดป่านาคำน้อยของเราแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่นั่งอยู่ในศาลาของหลวงพ่อเนี่ก็เต็มวันนี้หลวงพ่อจะในพูดเรื่องศีลธรรมจริยธรรมให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหลายเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อจะให้พวกเราเป็นคนดีสรุปแล้วถ้าประเทศชาติของเราเป็นคนดีเสีอย่างเ่ไปที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากัน ถ้าไปที่ไหนมีแต่คนช่วยชาติเสียหายเลวทรามพวกเราไปที่ไหนก็จะหาความไว้วางใจได้อย่างไรตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนะนินี่นี่นะ